นกเงือกเงินหัวละเสียงดังดังเนี่ยหัวละที่นี่นกเยอะเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะเราชอบฟังเสียงธรรมชาติอย่างเงี้ยอุตส่าห์ไปซื้อเทปนะเสียงนก คนกรุงเทพมีแต่อีกาแก่นงฟิลาบนกกระจอก น, นี่เสียงนกโพลดกเสียงไกลๆเสียงไก่ป่ากับไก่บ้านก็ไม่เหมือนกันฟังออกป่ะไก่ไกออกป่าจออ ง, ง์อาจกล้าหาร ธรรมชาตินะครูบาอาจารย์สอนให้เราอยู่ในที่สงบสงัดอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติไม่มีพิษมีภัยอยู่แล้วสงบมันสงบโดยตัวของมันแทนที่เราจะปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านอย่างเรานั่งอยู่ในวัดเนี้ย นั่งสบายๆม่จะสงบโดยตัวมันเองแต่อย่าสงจิตไปฟังนะแค่ฟังเฉยๆในบรรยากาศที่สงบสงัดนะถ้าอินทรีเราอ่อนนะก็ต้องอาศัยมันกันอยู่ในบรรยากาศวุ่นวายอินทรีเราไม่เข้มแข็ง เพราวนาลำบากทำไม่ได้ อ, อย่างตอนหลวงพ่ อ, อย่างเป็นโยมหลวงพ่ อ, อย่างต้องเลี่ยงบางพื้นที่อย่างตามศูนย์การค้าที่วัยรุ่นชอบไปหนะลวงพ่อจะไม่ไปแค่เข้าไปก็เวียนหัวละหัวหมุนหมุนอย่างนี้เลยมันกระทบ อย่าว่าแต่จะภาวนาเนี่ยแค่จะตั้งสติตั้งลำบากเวลาเราอยู่ท่ามกลางพวกหลงโลกนะมันก็ดึงดูดเราเหมือนกันเงินเราก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าสัพปปยะอย่างสถานที่สัพปปยาสงบสงัดเสียงสัตว์เนี่ยไม่อันตราย แต่เสียงค น, นอันตรายนะถ้าเป็นผู้ชายนะเสียงที่อันตรายที่สุดคือเสียงของผู้หญิงสำหรับผู้หญิงนะเสียงที่อันตรายที่สุดคือเสียงของผู้ชายอันนี้หมายถึงคนปกตินะถ้าปกติอีกแบบหนึ่งถ้าผู้ชายบางคนนะเสียงผู้ชายนดึงดูดนะเสียงผู้หญิงบางคนก็เสียงผู้หญิงดึงดูดเนะสมอภาคกันแต่ว่ามันจะมี เรียกว่าอิทธารม เ, เสียงในธรรมชาติมันเป็นเสียงกลางๆเราฟังไก่แล้วมันไม่มีความหมายสำหรับเราแปลไม่ออกถ้าแปลออกอาจจะไปอีกแบบหนึ่งเลวงพเคยเจอมีครูบาอาจารย์วงหนึ่งนั่งท่านก็บอกให้นกสองตัวนี่มันคุยกันตัวหนึ่งจะไปทางตอนออก ตัวหนึ่งไปทางตอนตกกำลังเถียงกันไ้ท่านก็บอกอ๋อมันตกลงกันได้แล้วมันจะไปทางตอนออกเอาพูดจบนะบินไปตอนออกเลยนะทุกวันนะพยายามทำใจของเราให้วีเบกอย่าทำใจให้บุ้นวายเลือกในสัปปะยะนะ สัพพยาสี่อย่างอย่างแรกคือบุคคลคนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วจิตใจสงบสันติปฏิบัติธรรมเจริญรุ่งเรืองล้วก็อยู่ใกล้คนนั้นอย่างพวกเราบางทีภาวนาคนเดียวใจยังอ่อนแอเราก็มีเพื่อนไปภาวนาสมัยหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็มีมีทีมไปภาวนาตามวัดด้วยกัน มันถูกอัธยาศัยกันไปแล้วไม่ไปทะเลาะ ก, กันหรือไปชวนเงินคุยนะพวกพูดมากเนี่ยไม่ถูกอัธยาศัยกับหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านอย่าพูดยาวไม่ถูกอัธยาศัยครูบาอาจารย์พูดสั้นๆไม่พูดเลยดีที่สุดหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ ด, ดูลไม่พูดนะไม่ค่อยถามอะไรท่านนั่ง เ, เฉยๆภาวนาไป ถึงเวลาแล้วท่านก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาให้เราเองพอดีกับใจของเราถ้ามีบุคคลที่สัปปะยะนะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วคุณงามความดีเจริญขึ้นเราวคบกับคนอย่างนั้นคบกับใครแล้วศีลธรรมของเราเสื่อมลงเราก็ห่างห่างมันไวจำเป็นต้องคบก็คบมันไปคุยกับมันไปดูจิตไป ระวังรักษาตัวเองไว้สิ่งแวดล้อมที่สัพยะเราไม่ค่อยมีโอกาสเลือกคนในเมืองอยู่กับความวุ่นวายมีแต่เสียงโครมคลามทั้งวันบางคนบ้านอยู่ริมถนนได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งทั้งคืนพอช่วงสงกรานต์รถยนต์หายไปหมดเลยนอนไม่หลับนะเงียบเกินไป มัเคยชินกับความโนขูแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้บุคคลเราก็เลือกไม่ได้อย่างเราทำงานเราต้องเจอคนคนนี้อาหารบางทีเราก็เลือกไม่ได้อย่างพราเนี่ยเลือกไม่ได้แค่ว่าไม่อดไม่หิวโ ซ, โซก็บุญนักหนาแล้วมีพอฉันได้อยู่ได้ เพื่อปฏิบัติธรรมนี่อย่างพวกเราบางทีกินเยอะไปนะกินเยอะไปแล้วก็ไม่มีแรงภาวนากินแล้วมันง่วงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่สัตปปะยาะลนะเกินพอดนะีอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมีผลแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้เราเลือกอะไร อย่างพระเนี่ยที่อยู่อาศัยสัปลายะบางทีไม่มีก็อยู่โคนต้นไมอ้อยู่เลยก็ยอมอยู่กันนะอาหารวิทีก็ไม่ค่อยมีอดอ ด, อ, ดอยากๆยากในบางพื้นที่อย่างพระเนี่ยเยอะแยะเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็อดนะฉบ้านใส่บาทพอฉันได้สองสามโมงึ่งที่เหลือ อยู่เพราะว่าหลวงพ่ออยู่ก็มีโยมมาพอได้ฉันอยู่บางพื้นที่นะไม่มีจริงๆหลวงพ่อเคยเจอนะมีครูบาจจารย์งหนหลวงพ่อกิมท่านอยู่กิ่งอำเภอลำดวนที่สุรินทร์ชาวบ้านรอบๆ บ, บ, บ้านนี่จนมากเลยช่วงที่ท่านบวชอยู่ภาวานามา อาหารเนี่ยท่านก็มีแต่ข้าวนะจิ้นกับพริกกับเกลือมีแค่นี้ถ้ามีปลากระป๋องอะไรเนี่ยโอ้ยสุดวิเศษแล้วปรากว่าท่านฉันแบบนี้มาเรื่อยๆร่างกายท่านจะขาดปโปรตีนอย่างแรงเลยมันก็ไปย่อยสลายปโปรตีนในร่างกายออกไปแต่ท่านจักหลำไส้หลวงพ่อไปเจอท่าน ปวดท้องนอนกระดูกกระดิกไม่ไหวะวัดว่าเป็นลำไส้อุดตันับนิมนต์ท่านไปพาก็ดีหมอคนหนึง่งพี่ชายแม่ชีเป็นหมออยู่บุดีลัมบ้านแม่ชีนี่หมอทั้งบ้านฮะก็พาท่านไปพาพาเสร็จแล้วลำไส้มันไม่ต่อกันเพราะมันบางมากบางเหมือนทิชชู่เลย ส่งมาสิริราสุดท้ายมรณภาพตอนจะมรณภาพเนี่ยท่านก็สั่งลูกศิษย์พากลับวัดจะไปมรณภาพที่วัดหลวงพ่อก็คอยดูท่านได้่อยกลับวัดไปมรณภาพเนี่ยอาหารการกิ น, น, นขาดแคลนมากแต่ทำไมท่านสู้อยู่ตรงนั้นเพราะท่านภาวนาดี เงินที่อยู่อาศัยไม่ดีอาหารไม่ดีอะไรเนี้ยอากาศสิ่งแวดล้อมไม่ดีนี่ยสหรับพระนะสำหรับนักปฏิบัติจริงๆยังเป็นประเด็นรองประเด็นหลักก็คือบุคคลต้องสัพพยะบุคคลสัพพยะที่สําคัญที่สุดคือมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้นอกนั้นลําบากแค่ไหนก็ยอมจะต้องนอน อยู่ตามโขนต้นไม้เหลือบยุงกัดอะไรเงี้ยก็ยอมทั้งนั้นอ่ะอ ด, อดองอยากก็ยอมทั้งนั้นน่ะเนี่ยที่ท่านได้ดีมากเพราะวิธีนี้นี่เป็นฆรวาดมุ่งความสุขความสบายจิตใจยิ่งอ่อนแะยิ่งอยู่ดีกินดีนะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆนี่ก็อดทนนะของเรา อาหารไม่ถูกใจพระเนี่ยอาหารไม่ถูกปากไม่เหมือนกันนะ่ะของเราอาหารไม่ถูกใจก็โมโหน ะ, ะอยากกินโน้นอยากกินนี่พระอาหารไม่ถูกปากมีแต่อาหารว่างบาทว่างบินทะบาทบิทีไม่ได้อะไรเลยบาทว่างๆแต่อดทนไม่มีก็ฉันน้ำไปดื่มน้ำไปอย่างนี้ เอาอะไรเป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาความสุขความสบายนี่พวกเราถ้าติดสุขติดสบายนักนะก็พยายามฝึกตัวเองบ้างวิธีฝึกอย่างเราเคยนอนที่นอนนะ่ะนุ่มจะ่สบายเปลี่ยนมานอนเสือ่อนอนไม้กระดานดูหรือปังหนะลวงพ่อก็ฝึกตัวเองตอนเร็นโยม หลวงพ่อนอนบนไม้กระดานมา ต, ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยมาเจอหลวงปู่ดูลนะลพยายามฝึกตัวเองนอนบนไม้กระดานเป็นดีอย่างนีน้ถ้าอยู่ๆแล้วเอาไม้กระดานมาวางแล้วนอนนะหรือแล้วนอนที่พื้นกระดานนะไรคนมันดูแปลกหลวงพ่อก็กลมคลืนหนะลวงพ่อมีบานประตูไม้อยู่วั น, น, นเสียบ พ, พ่อไปบนที่นอนอีกทีหนึ่ง น, นะปูผ้าปูที่นอนลงไปใครก็ไม่รู้หรอก เพื่อนมันเคยกระโดดเห็นที่นอนก็โดดด่าเราซะอีกนอนแข็งๆพริกซ้ายก็รู้สึกพลิกขวาก็รู้สึกนะหมอนหลวงพ่าก็ไม่ใช้หลวพ่าพ้าอย่างนี้นะมวนๆนนะ่ยลองคอพลิกซ้ายพลิ ก, กววาพลิกทีเดียวก็ตกละเนี่ยฝึกตัวเองนะตั้งแต่เป็นโยมอะ ไม่เอาความสุขจากการนอนการกินนะมีอะไรก็กินอันนั้นกินซ้ำสรางอยู่นั้นไม่ได้เลือกดินน้นรนจะไปกินนอนกินนี่ฝึกตัวเองเห็นใจที่มันดินน้นรนมันก็อยากสุขอยากสบายอยากอะไรอร่อยอยากเพลิดเพลินเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เราไม่ยอม วันหยุดม่นเก็บไว้หมดเะยวันลาพักผ่อนนะเก็บไว้หมดนะลาเขาลาไปวัดอยู่ลาบากลาบากอนะไม่ใช่ว่าอยู่สบายแล้วนะวัดป่า จ, าจริงๆอ่ะวัดเนี้ยสบายมากๆเลยเลยไม่เป็นวัดป่าเรียกว่าเป็นวัดสวนพ่อไม่ถึงขนาดป่าปันแค่สวนขนาดนี้พวกเราอย่างกลัวเลยเนี่ยมาอยู่กุฏิในวัดหลวงพ่อนะผู้คนเมืองนะ กวาดระแบงไปหมดเลยหันซ้ายหันขวาเนี่ยเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นศัตรูไปหมดเลยกลัวหมดเลยตรงนี้งูจะห้อยหัวลงมาไมเง้ยเงี้ยไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ต้าหักนะกลัวจึงจกตุกแกกลัวไปหมดอนะนะกลไม่มีสัตว์จะกลัวกลัวผีเนะื้อใจซึ่งมันไม่เคยฝึก พยายามฝึกตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นแต่ผู้หญิงต้องระวังนะเที่ยอไปหาที่ฝึ ก, กให้ถูกใครเขาจับไปปล้ำมาเราต้อนงะระวังไว้ผู้ชายก็ต้องระวังนะยุคนี้ผู้ชายก็ต้องระวังมีคนมาบอกนะว่าไวัดที่หนึ่งนะพระจะปล้ำแล้วหนีตาลีตาลานออกมาเราต้องดูแลรักษาตัวเองแต่ถ้าเราไปหาที่อย่างนั้นไม่ได้นะ เราก็ทำสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้มันเกื้อกูลกับการปฏิบัติมีทีวีอยู่ในห้องนอนก็นย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรที่มันจะดึงดูดเวลาการปฏิบัติของเราออกไปห่างๆมันออกไปเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรนะี่นะเปิดโหมดหรือบินไว้เปิดมันทั้งวันนั่นแหละวันหนึ่งไปดูทีหนึ่งพอละ มีธยระอะไรจําเป็นไม่จําเป็นก็ปิดมันไว้หลวงพ่อก็มีมือถือนะมือถือหลวงพ่อนะโทนทนฝุน่นจับอยู่งนะั่นแหะนานๆ ด, ดูทีเลยแม่โทรมาก็ไม่โทรหายหยบแม่นะให้หลวงพ่อไปนั่งคุยโทรศัพท์หนะลวงพ่อไม่เอาคุยกับพวกเราหลวงพ่ อ, อยังเบื่อเลยซึ <laughs> ่งอยู่คนเดียวดีที่สุด จริงแล้วการอยู่คนเดียวนะถ้าเราภาวนานะดีที่สุดเลยในกรรมนิทมีเขียนไว้อะไรนะแท้จริงความมีเบกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นตอนอ่านงั้นๆ น, นะเราตัง้งอกตั้งใจภาวนาจริงความมีเบกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นมันไม่มีพิษมีภัยอย่างเนี้ยสิ่งแวดล้อม มันวิเวกนี่วิเวกทา ง, ก า, ทางกายวิเวกทางใจจิตตวิเวกกายวิเวกแล้วอะไรอกวิเวกอุปธิวิเวกมีสามอันกายวิเวกอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่เงี้ยสงบสันติตจิตตวิเวกก็คือจิตที่ ท, ทรงสมาธิอยู่ถ้าจิตเราทรงสมาธิอยู่สงบสบายมีความสุข อุปธิพิเภกก็คือสงบจากกิเลสตัวที่ทําให้จิตใจเราวุ่นวายมากที่สุดก็คือกิเลสนั่นแหละหลวพ่อถึงสอนค่อยวัดใจตัวเองค่ยดูใจตัวเองไว้ถูกกิเลสมันลากทั้งวันนั่งสงสารพวกหนึ่งน่าสงสารนะพวกหนึ่งก็ยังหลงโลกพวกนี้น่าสมเพชนะพวกหนึ่งสุดขีดแล้วแก้ไขไม่ได้ก็กรําขงสัตว์ไม่มีหลายดีกรีนะ พวกเราเนี่ยถืออยู่ในกลุ่มน่าสงสารครูบาอาจารย์จะรู้สึกอย่างนั้นนะเห็นตาแป๋วแปวอยากป้นทุกข์อะไรเงี้ย น, น่าสงสารนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะหลวงตามหาบัวท่านก็พูดอย่างเงี้ย<น>เห็นตาแป๋วแปวน่าสงสารบางคนเห็นแล้วก็เราต้องถอยนะเห็นตามันเนาะน่ากลัวมากเลยเหมือนผีดิบ พยายามอยู่กับความสงบความวิเวกถ้ากายวิเวกทําไม่ได้พยายามสร้างเงื่อนไขให้ดีที่สุดที่จะทาได้เอาสิ่งที่รบกวนวุ่นวายทั้งหลายออกไปอยู่ยากกินยากก็หัดอยู่ง่ายกินง่ายบ้างไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากนักวุ่นวายน้อยๆคลุกขลีน้อยๆนี่เราจะได้กายวิเวกมา ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบนะอยู่ในชีวิตธรรมดามีสติให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเป็นสุขก็รู้สึกตัวเป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวโลบกรดหลงก็รู้สึกตัวไม่รลบไม่กรดไม่หลงก็รู้สึกตัวไป ความรู้สึกตัวสำคัญมากสำคัญมากเลยสหรับนักปฏิบัติคนในโลกมันไม่มรู้สึกตัวนะมันหลงลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเอาดีไม่ได้หรอกพวกเราก็อย่าเอาแต่หลงลืมตัวรู้สึกตัวไว้จิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่ท่งสมาธินะ่ะมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับนะอยู่กับตัวบังคับ อ, อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่จิตตวิเวกอ่ะอย่างนี้จิตตวิวาดวิวาด ก, กับตัวเองกัดตัวเองตายแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปนะถึงจุดหนึ่งอุปธิวิเวกเกิดขึ้นสงบจากกิเลส อย่างเรามีสตินะกิเลสผุดขึ้นมาเราเห็นปับน๊บมันดับเลยเนะนี่ยพอเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยมันเริ่มมีเวกแล้วจิตใจเริ่มสงบกิเลสเริ่มอ่อนแรงลงต่อไปเราฝึกจนสติปัญญาที่แท้จริงเกิดนะมิปัสนาปัญญาเกิดนะเห็นในสภาวะทั้งหลายที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้มีเวกจริงๆ พวกเรานักปฏิบัตินะบางทีชอบพูดนะว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่จริงหรอกคนที่สักว่ารู้ว่าเห็นได้มีไม่มากหรอจิตต้องถึงสังขารู้เปรขายานจริงๆถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างถ้าจิตยังแหว่งไปแหว่งมาอย่างเี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะดีแต่พูดบางคนก็ลาเลยนะการเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันาละเลย แล้วเลยเมื่อไรขาดสตินะเมื่อนั้นขาดการปฏิบัตินี่คือกฎที่หลวงปู่มั่นท่านสอนเลยงั้นเวลาเราขาดสติเมื่อไรเราไม่ได้ปฏิบัติหรอกบางคนนั่งอ่านหนังสือท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเขียนหนังสือนะท่านเขียนท่านมุ่งไปที่ความแรงท่านเขียนแล้วต้องการช็อกความรู้สึกของคนอานนะในบางทีมันก็มีอันตรายเหมือนกันะอย่างท่านเขียนบอกว่า การทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้ถ้าเป็นโจรไปปล้นเนี่ยปฏิบัติธรรมไห ม, มก็ออกไปนอกรู้นอกทางไม่ใช่ว่าท่านนะว่าเข้าใจเจตนาท่านนะแต่ไอ้คนที่อ่านนะ่ะมันไม่ได้เข้าถึงแก่นที่ท่านสอนจริงๆนะก็เพ้อเจอการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าทำงานโดยไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะ ถ้าทำงานแล้วมีสติอยู่ได้ปฏิบัติทมอยู่คาว่าทำงานมันคืออะไรการทำงานทางกายทางวาจาทางใจนี่คือการทำงานทั้งหมดไม่ใช่แค่ทรมาหากินนะคาว่าทางานขว้างขวางใจมันทำงานไหมใจมันทำงานทั้งวันใจมันทำงานวาจามันทำงานร่างกายมันทำงานมีสติเพรานั้นท่านจะพยายามสอนบอว่า การปฏิบนะัติเน่ยมันต้องอยู่ในชีวิตจริงๆงั้นเราทํางานนะเราก็ปฏิบัติ ท, ทําได้นี่การทํางานให้มันครอบคลุมถึงการทํางานของใจด้วยคำสอนของท่านไม่ได้ผิดหรอกในคนอ่านนะมันเข้าไม่ถึงอย่าเสือเดินขายยาบ้าเะเป็นคนส่งยาบ้าทํางานไหมปฏิบัติ ท, ทําำไ้ยไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย ื่งทีฟังครูบาอาจารย์พูดนั้นต้องระวังเหมือนกันฟังแล้วเพียนตีความเพียนเพียนหรือท่านบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างฝ่ายอภิธรรมโจมตีเลยจิตว่างไม่ได้จิตต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอคำพูดที่ท่านพยายามจะพูดให้ช็อกนะให้คนฟังมันช็อก ค, ความรู้สึกไม่ใช่ช็อกตายไปไม่ใชช็อก ค, ความรู้สึกนะ ไ, ได้หันกลับมาศึกษา บางทีช็อกไปแล้ว้นั่นช็องจริงลงไปเลยทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมายถึงว่างจากตัวจากตนไม่ใช่ทาโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยงนี้นะงจะเจริญถ้าทำทุกอย่างกระทั่งทาบุญนะทำบุญจะไปปล่อยควายนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยบุญจากการปล่อยควายนีย่ขอให้เราแข็งแรงเหมือนควายอย่างนี้นะ อยากอายุยืนก็ไปปล่อยเตา่าเอาเต่าไปทิ้งลงน้ำโครมเต่าจมน้ำตายเลยเต่าไม่ได้อยู่ในน้ำอันนี้แบบทำอะไรแนละ้วมันแฝงตัวตนลงไปท่านถึงบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจิตว่างว่างจากตัวจากตนไม่ได้ทำด้วยความเห็นแก่ตัวฟังธรรมะบางทีต้องเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สื่อ นี่พวกเราเขาพยายามอยู่กับความวิเวกนะอยู่กับความวิเวกกายวิเวกวุ่นวายกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไม่กายวิเวกแล้วจิตก็ไม่วิเวกฟุ้งซ่านอุปธทีก็ไม่วิเวกรวมความแล้วถ้าเล่นเน็ตเยอะๆเนี่ยไม่มีวิเวกเลยทั้งสามตัวกายจะวิเวกจิตตวิเวกอุปธีวิเวกไม่มีหรอก หลวงพ่อถึงห้ามพระหของพ่ออย่าไปเล่นนะพวกแอบเล่นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็สึกไปเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่อื่นทนกิเลสไม่ไหวเป็นพระดีไม่ใช่เป็นง่ายนะไม่ใช่เป็นง่ายๆ่าต้องทนจริงๆนักปฏิบัติที่ดีก็ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆต้องอดทนอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะ อ่านใจตัวเองไปอะไรที่จะทําให้ความมีเบกของเราเสีย mm hmm. ก็ลดล mm hmm. ดซะโดยเฉพาะอุปาธีวิเวกเรื่องของกิเลสนะ mm hmm. อย่าไปตามใจกิเลส mm hmm. อย่าไปตามใจมันนี่บางคนได้ยินว่าอย่าตามใจกิเลสก็เอาเลย mm hmm. อยากกินข้าผัดก็ไปกินขึ้นเตียวนี่ไม่ตามใจกิเลส <c oughs> อยากไปทางเหนือก็ลงใต้อะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าไม่ตามใจกิเลสไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าตามใจกิเลสแต่ตามใจในทางนิยมถีบกิเลสสอนให้ทำางนี้กูทำอย่างนี้ใครเป็นตัวตั้งใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนตั้งเกมกิเลสเป็นคนตั้งเกมไปเชียงใหม่กูจะไปหาดใหญ่บอกเนี่ยไม่ตามใจกิเลสใครเป็นคนตั้งประเด็น ตัวที่เป็นคนตั้งเกมขึ้นมามันเป็นตัวเข้ามากระทําเราก็ตอบสนองด้วยการยอมมันบ้างปฏิเสธมันบ้างนี่พอได้ยินว่าอย่าตามใจกิเลสมนะัมันบอกอย่างนี้กูจะทำอย่างนีนะ้มันบอกว่าอย่านั่งสมาธิเลยกูจะนั่งนะนั่งจงเครียดไปหมดแล้วกูจะนั่งเพื่อจะเอาชนะกิเลสเนะี่ยแพ้กิเลสละเราไม่ได้มุ่งเอาชนะมันนะ เรามม่งเรียนรู้มันจนไม่เป็นธาตุมันอย่าคิดนะว่าจะสู้กิเลสเอาชนะมันได้บางคนมีอุบายมากมายจะไปสู้กิเลสมีเตี่ย ก, กิเลสมาเล่นงานเรานะ่คิดอะไรนิดเดียวมันรู้ทันเราหมดอนะ่ะเพราะอะไรกิเลสอยู่ที่ใจเราใจคิดอะไรนะกิเลสรู้ทันแนะ้วงั้นไม่มีทางคนะรอกัอาศัยสติอาศัยปัญญาเรียนรู้นะ ใจิตใจตนเองกิเลสผ่านมาก็รู้กิเลสดับไปก็รู้กุศลผ่านมาก็รู้กุศลผ่านไปก็รู้กุศลมาแล้วใจเราปลื้มเนะีกลายเป็นกิเลสนะหลงยังไปทําบุญใส่บาตนะรอะไรเงี้ยปลื้มคนเขาเห็นภูมิใจเป็นผู้นําทําบุญเย่างน้นอย่างนี้เราปลื้มนีม่กิเลสทานั้นเลย กลายเป็นทำตามกิเลสไปทอดผ้าปา่าทอดกระถินวัดโ น, น้นวัดนีนะ้ก็มาลงเฟซบุ๊กบอกคนด้วยถ้าบอกเพื่อให้เขาอนุโมทนานได้บุญนะถ้าบอกเพื่อโอ้อวดนะไม่ได้บุญหรอกได้กิเลสนี่กิเลสในชะั้นเชิงมันเยอะค่อยๆดูกว่าจะอุปทิวิเวกได้อะนะแสนสาหัสกว่าจะอุปทิวิเวกสาหัสเช่ละ ครูบาอาจารย์ถึงบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายนิพพานอยู่ฟากตายนะแต่ถ้าขั้นต้นๆอย่างโยมไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงขั้นนั้นตรงที่จะไปถึงนิพพานอยู่ฟากตายเนี่ยต้องได้อนาคาก่อนถึงจะไปสู้กันระดับนั้นของเราไปสู้กิเลสละเอียดขนาดนั้นมันไม่สู้กับเราเนาะมันไม่เล่นงานเรามันใช้กิเลสหยาบๆปราบเราก็อยู่หมัด น, นะ งั้งเรามีกิเลสตัวไหนเราก็เรียนรู้มันตัวนั้นนะอย่าให้มันครอบงำเรารู้มันด้วยความเป็นกลางมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็าจะได้ปัญญาสะสมไปด้วยพปัญญาของเราแก่รอบเต็มที่เราจะได้มีสุท ธ, ธิขึ้นมาพระธทวาก็บอกแล้วบุคคลถึงความบริสุทธิได้ด้วยปัญญางั้นไปทำตัวเองนะให้วิเวกนะกายอยวิเวกจัดสิ่งแวดล้อมของเรา ให้เอือมเหนืย่ยเือการปฏิบัติอะไรที่มันจะยั่วกิเลสเราทําให้สติแตกอะไรห่างมันได้เขาห่างมันในบ้านเราเนี่ยเราไปดูในห้องนอนเรานะั่นแหละมันดึงดูดเราไปเยอะแยะเลยที่นอนหน้านอนเนี่ยดึงดูดไหมอากาศหนาวหนาเนี่ยผ้าห่มดึงดูดไหมเนี่ยกว่าจะมุดออกจากผ้าห่มได้ไม่ใช่ง่ายนะนี <c oughs> ไปดูมันดู ทุกวันทำในรูปแบบนะจิตจะได้มีสมาธิระหว่างวันรู้เนรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตมีสมาธนะิเป็นกณิกะสมาธนะิแล้วก็เรียนรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปถึงจุดหนึ่งจะอุปทิวิเบกนะสงบระงับจากกิเลสคือกิเลสไม่มีอิทธิพลเหนือใจเรานะไปฝึกนะไปฝึก ตอนนี้ก็ซึมรับสิ่งแวดล้อมที่วิเวกอยู่เวลาไปกินข้าวเวลาอะไอย่าจอกแจ๊กจอแจ๊ะฟังเสียงธรรมชาติหัดอยู่กับธรรมชาติซะบ้างอยู่กับความวุ่นวายมาตลอดแล้วนะเดี๋ยวออกจางวัดไปก็วุ่นวายแนละ้ตอนนี้อยู่ในวัดนะสงบสันติซะบ้างไม่ใช่พอหลวงพ่อบอกไปทานข้าวได้ก็จอกแจก๊จกจกแจ๊กเลยด้านศาลาเลย มันไม่มีรวดลายของนักปฏิบัติมันรวดลายของชาวบ้านที่ไม่ได้ปฏิบัติไปไปทานข้าวเห็นไหมได้ยินคำว่าทานข้าวจิตกระชอกแล้วไปนะแล้วต้องดูซิเราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติไหมนี่หมดเลยครับ